สำรวงเข้ามานั่งภาวนาสำรวงมาที่ใจเอาใจมาอยู่กับใจอะไรคือใจสำรวงไปที่ใจสรุปสัมผงไปทีใ่ใจแล้วก็สำรวงมาที่กายสำรวงมาที่กายแล้วก็สอดส่องไปที่ใจสัมผงไปที่ใจแล้วก็สอดส่องมาที่กาย อย่าทิ้งกายกับอย่าทิ้งใจถ้าทิ้งกายทิ้งใจเมื่อไหร่ตะเลดิดเปิดเปิงไปทวีปไหนก็ไม่รู้แหละถูกสัญญาเอาไปกินหมดสัญญามามาลอ่อแป๊บเดียวเอาไปกินหมดแหละจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแหละอยู่กับกายก็เท่ากับอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับจิต ก็เท่ากับอยู่กับเนื้อกับตัวเจ้าของไม่อยู่บ้านไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเจ้าของไม่อยู่บ้านปลุกสติปลกุกสัมผชัญนยให้ตื่นขึ้นมาอเป็นยามเฝ้าเป็นยามเฝ้าจิตของตัวเองเนี่ยสัมรวมมาที่ใจแล้วก็สัมรวมมาที่กายสัมรวมมาที่กายแล้วก็สัมรวมมาที่ใจ อย่าดูอย่างอื่นให้อื่นไปจากนี้ถ้าเราจะขยายไปก็กายเวทนาจิตธรรมที่หลวงตาท่านแสดงจบไปเมื่อกี้เอาสติมาสัมผัสกายมาพิจารณาตรวจตราดูกายเอาสติมาพิจารณาเวทนาสำรวจตรวจตรามาที่เวทนา เวทนานี้ได้หมายได้ทั้งสุขเวทนาทุกขเวทนาหมายได้ทั้งส่วนที่เป็นโรคปรรมหมายได้ทั้งส่วนที่เป็นนามธรรมคือดีใจเสียใจสัมรวมมาที่เวทนาสัมรวมมาที่ใจคือสัมรวมมาที่จิตนั่นแหละจิตฟุงซ่านก็ให้รู้ว่าจิตฟุงซ่านจิตหดหูก็ให้รู้ว่าจิตหดหู จิตเดือดดานคิดฟุ้งซ่านก็ให้รู้ว่าจิตเดือดดานคิดฟุ้งซ่านจิตโลภก็ให้รู้ว่าจิตโลภจิตโกรธก็ให้รู้ว่าจิตโกรธจิตราคะตัณหาก็ให้รู้ว่าจิตมีราคะมีตัณหาภายในจิตมีราคะมีตัณหาก็ให้รู้เท่าทันว่าภายในจิตมีราคะมีตัณหาเมื่อราคะเมื่อตัณหาหมดไปจากจิต เพราะกิริยาการมันไม่แสดงออกเราก็รู้ว่าราคะตัณหามันหมดไปจากจิตคือมันหลบหน้าหายไปมันหลบหน้าหายไปพอเรามีสติมสะส่องดูตัณหาราคะต่างๆเหล่านั้นไม่ต่างอะไรกับโจรกับสมุนโจรที่มันแอบมาขโมยของหลังบ้านเราอ่า มันก็ไปซ่องซุมอยู่ไม่ไกลจากบ้านเรานักเพราะเผลอๆ เ, เรามันก็ขโมยเข้ามาขโมยมาขโมยของในบ้านเราขโมยเกิดราคะขโมยเกิดโทสะมันแอบเข้ามาขโมยเข้ามามต้องมียามเฝ้าเป็นประ จ, จำต้องมีดวงไฟ โล่เป็นประจำยามเฝ้าเป็นประจำก็คือสติคือสัมปชัญญะนี่แหละสติคือกิริยาที่เราทําอาการของจิตให้รู้เด่นขึ้นมาที่ใจสัมปชัญญะก็คือรู้ตัวรู้ตัวว่าเรากําลังนั่งภาวนารู้ตัวว่าเราเรากําลังกําหนดจดจ่อมาที่กายรู้ตัวว่าเรากําลังจดจ่อมาที่ใจกายเวทนาจิตธรรม ในส่วนของธรรมนั้นท่านให้พิจารณาเช่นอย่างเราพิจารณาโพชฌงเจ็นี่เขาเป็นการพิจารณาธรรมสติธรรมวิจยะในขณะที่เอาสติทํางานมันก็เป็นการจดจอ่อมีสติเป็นกําลังมีสติเป็นเครื่องมือมีสติเป็นอุปกรณ์มีสติเป็นเจ้าเรือนควบคุมเข้ามาสัมปชัญญะก็ควบคุมเข้ามา ทำงานควบคุมควบคุมควบคุมพิจารณาสติทนเวทเรียกว่าพิจารณาธรรมธรรมวิจยะวิริยะปีติปัสสธิสมาธิอุเบกขาที่ท่เรียกว่าพิจารณาโพชฌงอันนี้ก็เป็นการพิจารณาธรรมพิจารณาธรรมก็คือพิจารณาไปเรื่องราวที่เกิดขึ้นมีขึ้นภายในใจนั่นแหละ ในเมื่อเรากำหนดจดจอ่อพิจารณาลงไปสติเราก็ตั้งมั่นความสาพยายามความประคับประคองด้วยความภาคความเพียร น, นี่ก็เป็นการพิจารณาพิจารณาพดชงพดชงคาว่าพดชงโพชชังคะพดชังคะ อ, อ, องค์แห่งการตรัสรู้ ที่พระเจ้าท่านทรงตรัสพิจารณาโพชฌงกตก็เป็นการพิจารณาธรรมพิจารณาสติพิจารณาธรรมวิจยะคําว่าธรรมวิจยะแปลว่าสอดส่องธรรมวิจารวิจัยธรรมสอดส่องธรรมกระจายธรรมตล่อมธรร ม, มตัวนียกว่าธรรมวิจยะพิจารณาแยกแ ย, ะ ส, ส ะ, ย ะ, ะสอดส่องดูธรรมวิจยะแปลว่าสอดส่องธรรม เอาสติเอาสัมพััญญาเ น, นี่ยและมาสอดส่องสอดส่องไปสอดส่องมาสอดส่องมาสอดส่องไปกลายเป็นปัญญาเกิดปัญญาขึ้นมาเป็นปัญญาพื้ น, นเป็นปัญญายานเกิดขึ้นมาสติธรรมวิจยะวิริยะปีตเิเมื่อมีวิริยะพระคับประคองอย่างต่อเนื่อง จิตใจของเราก็ต้ อ, อมเข้ามาสงบเข้ามาอยู่กับกายอยู่กับใจหรืออยู่เฉพาะใจพิจารณาธรรมนี้เป็นการพิจารณาเฉพาะใจพิจารณาอาการของธรรมที่เกิดขึ้นในใจที่ท่านเรียกว่าความเถียนประครับประของใจจากนั้นแล้วจิตเริ่มสงบจิตไม่ถูกกิเลสลากไปดึงไปจิตก็เกิดการตั้งมั่นที่ท่านเรียกว่าปีติเกิดปีติ เกิดความอิ่ม อ, อกอิ่มใจเกิดปัสจัตธิแปลว่าความสงบในภายในเนี่ยปัสจัติิกับสมาธิกับอุเบกขามันใกล้เข้าไปมันละเอียดเข้าไปมันลึกเข้าไปพิจารณาจนถึงอุเบกขาอุเบกขาสามพดชงการที่พิจารณาพิจารณาอาการของธรรมแบบนี้ท่านเรียกว่าพิจารณาธรรมกายเวทนาจิตธรรม ลักษณะของการทำงานเราก็ดึงความเพียรมาใช้ความเพียรในองค์มากที่ลงตาท่านแสดงเมื่อกี้ประทานสี่อย่างประทานปแปล ว, ว่าความเพียรสังวรประทานประหารประทานภาวนาประทานอนุรักษณาประทานประทานปแปล ว, ว่าความเพียรความเพียรในที่นี้เป็นความเพียรชอบสังวรประทานก็คือ เพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในใจบาปอกุศลที่จะพึ่งเกิดขึ้นในใจจะอยู่หมัดเราได้ต่อเมื่อเราสัมรวมระวังสังวรสัมรวมด้วยสติสัมรวมด้วยสัมพชัญญะสัมรวมด้วยขันติสัมรวมด้วยขันติคือความอดความทนที่ประหารสังวรประทาน เพียรระวังบาปไม่ให้เกิดขึ้นในสันดานเพียรละบาปที่มีอยู่แล้วเป็นแล้วให้หมดไปในเมื่อของใหม่ไม่เกิดของเก่าเราพยายามละออกไปเหมือนกับน้ำมันรั่วนั่นแหละเรานั่งเรือข้ามฟากเรานั่งเรือข้ามฟากเรือมันรั่วเรือของเรานี่มันรั่วห้ารูหกรูรูพุนไปหมดเละ มันรั่วมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมคือรูรั่วเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ปิดรูปิดรูที่รั่วเพื่อไม่ให้น้ำมันเข้ามาในเมื่อน้ำน้ำใหม่ไม่ทะลักเข้ามาน้ำใหม่เราพยายามวิทย์ออกอเราลองท่ายดูว่าในเมื่อน้ำใหม่ไม่เข้ามาน้ำเก่าเราพยายามวิทย์ออกด้วยความภาคความเพียรน้าในเรือนั้นหมดไปไหมย่อมหมดไปแน่นอน นาวาคือใจคือกายของเราก็เช่นเดียวกันแหละเราสำรวมระวังไม่ให้บาปอกุศลเกิดขึ้นที่ใจบาปกุศลที่เกิดขึ้นมีแล้วเป็นแล้วถ้านให้พยายามละให้พยายามเลิกให้พยายามละให้พยายามลดให้พยายามเลิกให้พยายามละนี่สังวรประธานประหารประธานประหารแปลวา่าล ะ, ะเพียนละเพียรละทำไงถึงจะถึงจะ ถึงจะเข้าลักษณะที่ท่านบอกเพียนละเพียรละก็คือพิจารณาคลี่คลายเพื่อให้รู้ให้เห็นความเป็นจริงของมันให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงของมันแค่เรายกมาพิจารณาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาเนี่ยเราก็พิจารณาถึงความแก่ที่จะเพิงเกิดขึ้นมีขึ้นในเราเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาจเจ็บไค่ได้ป่วยที่จะเพึงเกิดขึ้นมีขึ้นในเรา แล้วก็เรามีความตายเป็นธรรมดานี่คือการยอมการยอมรับตามสภาพหรือตามสภาวะที่มีอยู่จริงเป็นอยู่จริงเพราะรูปธรรมของเราก็ตามนามธรรมของเราก็ตามไม่ว่าจะเป็นวัตถุที่อยู่ในกายวัตถุที่อยู่นอกกายรวมไปถึงนามธรรมที่เป็นจิตใจก็ตามตกอยู่ในสามัญยลักษณะสามัญยลักษณะก็คือ อนิจจังทุกครั้งอนัตตามันไม่คงที่มันเปลี่ยนแปลงความไม่คงที่ความเปลี่ยนแปลงของมั น, นมันเป็นไปตามหลักธรรมดาคือหลักธรรมชาติกฎของธรรมชาติกฎของไตรลักษณ์นั้นเป็นกฎของธรรมชาติท่านพิจให้พิจารณาเห็นกฎของไตรลักษณ์และยอมรับตามสภาพมีอยู่จริงเป็นอยู่จริงตามธรรมดาใจยอมรับถ้าใจไม่ยอมรับเลยจะก็ทุกข์ ไม่อยากแก่นะทุกเพราะไม่อยากเวลาความแก่เข้ามาเยียนมีความทุกข์โอ้ยเราแก่แล้วอันนั้นก็เหี่ยวอันนี้ก็แห้งไม่อยากแก่ความเจ็บมันจะต้องมีเจ็บใข้ได้ป่วยเป็นไขเน้เป็นหวัดเป็นหนาวปวดท้องปวดไส้เป็นโรคตับโรคไตโรคปอดสารพัด ที่จะเพิ่งเกิดขึ้นมีขึ้นในกายนี้แต่เราไม่อยากเจ็บนี่คือการฝืนเราฝืนหลักธรรมชาติก็คือการฝืนแบกกองทุกนันแหละคือดึงกองทุกเข้ามาแบกแต่ถ้าเร า, เราปล่อยไปตามสภาพของธรรมชาติยอมรับตามสภาพของธรรมชาติเราก็ไม่ทุกคาว่าเราไม่ทุกก็คือใจมันไ ม, ไม่ไม่ทุก ใจมันไม่ทุกข์เพราะใจมันมันไม่อุปาทานมันไม่ยึดเอาถือเอามันไม่ยึดกายมันไม่ถือเอากายมันไม่ยึดจิตมันไม่ถือเอาจิตคือปล่อยวางลักษณะนี้ท่านเรียกว่าประหารประธานคือเพียนละพิจารณาให้รู้ให้เห็นที่ไปที่มาของมันแล้วมันก็ละของมันไปในตัวเราไปตั้งใจละโดยที่เราไม่มีกิจกรรมทำ ละไม่ได้คือมันไม่ทําเหตุไม่พยายามทําเหตุเราลองว่าในปากว่ากับปะของเราเออละละละละละละละละละในระหว่างที่เราว่าละแล้วก็ดูไปที่ใจของเราเนี่ยใจมันละไหมใจมันไม่ละดอกถ้าหากเราไม่ศึกษาให้รู้ให้เห็นให้เห็นเหตุเห็ น, ห น, หนปันจจัยของมันใจมันจะไม่ยอมถอนในเมื่อใจมันไม่ถอนใจมันก็ไม่ละ ในเมื่อใจมันไม่ถอนก็คือมันยึดยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานมันไม่ถอนยึดมั่นในกายว่าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บแล้วก็ไม่อยากตายคือฝืนสภาพความเป็นจริงแบกกองทุกความทุกข์ทั้งหลายก็มาเกิดขึ้นทับถมหัวใจของเราคือการไม่ยอมรับตามสภาวะของธรรมตามสภาพที่มีอยู่จริงเป็นอยู่จริงเนี่ยเราพูดถึง สติปัฏฐานทั้งสสติปัฏฐานสติปัฏฐานมีสติเป็นที่ตั้งอาศัยสติเป็นเครื่องระลึกอาศัยสติเป็นเครื่องรู้ระลึกรู้ว่ากายมีอยู่เราลึกรู้ว่าเวทนามีอยู่เระลึกรู้ว่าจิตมีอยู่ระลึกรู้ว่าธรรมมีอยู่ ระลึกกายระลึกเวทนาระลึกจิตระลึกธรรมเอาสติเป็นตัวระลึกสติคือความระลึกได้ระลึกได้โอเรามีกายถ้าเรายึดกายเราก็ทุกข์กับกายโอเรามีเวทนาคือสุกกายสุกใจทุกกายทุกใจเมื่อเรายึดเวทนาเราก็ทุกข์กับเวทนาเมื่อเรายึดจิตสําคัญว่าเรามีจิต เวลาเรากำหนดจี้พิจารณาดูไปที่ผู้รู้อะไรคือจิตเราก็ไม่รู้รู้สักแต่ว่ารู้รู้รู้มีสติสัมปชัญญะสักแต่ว่ารู้พิจารณาจิตจากนั้นแล้วถ้าหากมันฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตหยุดฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตหยุดฟุ้งซ่านจิตราคะาอยรู้ว่าจิตมีราคะจิตมันหมดราคะไปเนไปก็รู้ว่าจิตหมดราคะ จิตอิจฉาริษยาพยาบาทก็รู้ว่าจิตอิจฉาริษยาพยาบาทนี่คือทำความรู้เท่าทําความรู้เท่าเท่าสิ่งที่กิเลมันป้อนเข้ามาที่ใจของเราทั้งนี้เพื่อเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นทับถมหัวใจของเรานี่คือการปฏิบัติธรรมมันละเอียดเข้าไปที่จิตมันละเอียดเข้าไปที่จิต สติปัฏฐานทั้ง4ี่พิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมถ้าเราไม่เรียกว่าสติปัฏฐานทั้งสี่ได้ไหมได้เราเรียกว่าการพิจารณาให้เกิดปัญญาการพิจารณาให้เกิดปัญญาเราทําจิตให้ได้รับความสงบแล้วก็เอาจิตที่สงบนี้แหละมาพิจารณาธาตุขันธ์ร่างกายให้เกิดความรรอบรู้ การเกิดการรอบรู้ในทีน่นี้หมายความว่ า, วารู้เท่าสภาวะของธรรมตามที่มันมีอยู่จริงเป็นอยู่จริงนะเมื่อรู้เท่าว่ามันมีอยู่จริงเป็นอยู่จริงแล้วธรรมชาติของจิตมันก็จะถอยตัวเข้ามาถอยตัวเข้ามามันจะไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอุ ป, ปาทานเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงสอนให้พวกเราเภานาให้ใจได้รับความสงบที่เรียกว่ามีจิตตั้งมั่นจิตเป็นสมาธิ เมื่อจิตตั้งมันเป็นสมาธิแล้วก็น้อมมาพิจารณาเพื่อทําลายความหลงของตัวเองหลงยึดหลงถือนี่แหละหลงถือว่าเป็นเราหลงถือว่าเป็นของของเราว่าเป็นอัตตาตัวตนของเราเนี่ยมันหลงยึดหลงยึดหลงถือทําไมถึงว่าหลงยึดหลงถือเพราะมันพาถือโดยธรรมชาติพาถือโดยอัตโนมัติของมันเราไม่ตั้งใจจะยึดมันก็ยึดเพราะกิเลสอยู่ภายในใจมันพายึด เราไม่ตั้งใจจะถือกิเลสภายในใจมันก็พาถือเนื่องจากว่ากิเลสมันอยู่มีอยู่ที่หัวใจของเราสิ่งที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือปลุกขึ้นมาให้ตื่นแล้วก็สิ่งที่เป็นแสงสว่างเอามาส่องนำทางให้สว่างโรสิ่งเหล่านี้ก็คือสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะรวมกันเข้าประกอบกันเข้าหลายครั้งหลายหนเขาก็กลายเป็นปัญญากลายเป็นปัญญา กลายเป็นวิปัสนากลายเป็นปัญญายานกลายเป็นวิปัสนาญาณเนื่องจากว่าเราทําซ้ำๆทำซ้ำๆทำซ้ำๆซากๆพิจารณาย้อนกลับไปพิจารณาย้อนกลับมาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจตกผลึกออกมาเป็นปัญญายานตกผลึกออกมาเป็นวิปัสนาญาณนี่คือการคือการภาวนาเราจะถือตามหลักมหาสติปัฏฐานทั้งสีก็ได้ เราจะถือตามหลักว่าสมถะวิปัสสนาก็ได้อันเดียวกันการพิจารณากายให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนาัตตก็ตามการพิจารณากายให้เป็นอสุภะอสุภังก็ตามการพิจารณากายให้เป็นธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟก็ตามก็คือพิจารณากายก็คือพิจารณารูปนั่นแหละก็คือพิจารณารูปนั่นแหละมันก็มีอยู่ในองค์ของหมหสติ ที่เป็นกายอาศัยสติสักเป็นว่าเป็นเครื่องรู้เป็นเครื่องระลึกรนะะลึกยับแล้วก็หายไประลึกยับแล้วก็หายไประลึกยับหายไปคําว่าสติสติก็คือความระลึกได้คือความรู้ที่เด่นชัดที่สุดในหัวใจของเราในขณะนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ตอนนี้ยิ่งเราทําให้มีพลังมากๆสติ มีอยู่ภายในใจของเรามากๆเหมือนกับใจของเราในสว่างโร่ด้วยเหตุที่จิตได้รับความสงบจิตจะได้รับความสงบได้ต่อเมื่อมีสติมีสัมผัสัญญะเป็นพี่เลี้ยงกํากับดูแลตลอดอะจะไปไหนก็ตามต้อยตามต้อยตามต้อยไม่รับหูรับตาจากสติจากสัมผชัญญะเอาสติเอาสัมผชัญญะเป็นจิต เอาจิตเป็นสติเป็นสัมปชัญญะกำกับดูแลลงไปที่จิตเนี่ยไม่งั้นไม่ทันมันแหละไม่งั้นไม่ทันมันมสติสัมปชัญญะจึงเป็นธรรมะที่มีอุปการะคุณมากมนี่คือการพิจารณากายเราพิจารณากายเวลาเวทนาเกิดขึ้นเราก็พิจารณาเวทนาต่อมาก็ได้ เชนอย่างเรานั่งภาวานานานานเป็นชั่วโมงขึ้นไปมันเจ็บมันปวดเนี่ยแทนที่เราจะอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราก็มาพิจารณาความปวดความปวดอะไรปวดกายปวดหรือหรือใจปวดใจปวดหรือกายปวดถามดูให้กำหนดย้อนลงมาแล้วก็ถามดูกายปวดหรือลองถามมันดูเงียบอ่าเงียบอ่า ใจปวดหรือดูไปที่ใจใจก็สักเทว่ารู้เป็นผู้รู้ใจก็ไม่ได้ปวดกายก็ไม่ได้ปวดอะไรพาให้ปวดอะไรพาให้เรารู้สึกว่าเราปวดด้วยเหตุที่เรามีตัณหาด้วยเหตุที่เรามีอุ ป, ปาทานยึดกายนี้แล้วก็ยึดใจนี้กิเลสพายึดกิเลสพายึดแล้วมันก็ว่ากายของเรามันก็ว่าจิตของเรา เมื่อเมื่อคำว่าจิตจิตของเรากายของเราโผล่ขึ้นมาความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงก็มาทับถมแล้วโอ้ยกายเราเจ็บโอ้ยกายเราปวดโดยที่แท้จริงถ้าเรากําหนดมาที่กายจริงๆกายก็ไม่รู้สึกว่าปวดกําหนดมาที่จิตจิตก็ไม่ปวดจิตเป็นธรรมชาติที่รู้รู้อย่างเดียวแต่สิ่งที่เคลือบแฝงมากับจิตนั่นแหละคือตัวกิเลส ผายเรายึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาด้วยอุปาทานยึดเอาถือเอากายได้รับความสุขก็ยึดเอากายได้รับความทุกข์ก็ยึดเอาจิตได้รับความสุขก็ยึดเอาจิตได้รับความทุกข์ก็ยึดเอายึดเอาตอนไหนยึดเอาตอนที่เรารู้ไม่ทันรู้ไม่เท่าทันมันนั่นแหละมันพายึดแหละมันเพลอแป๊บเดียวมันผ้ายึดแล้วเส้นผมบางผู้เขาเพลอแป๊บเดียวพ้ายึดแล้ว เผลอแป๊บเดียวผายยึดแล้วถ้าเราพยายามสอดส่องเข้ามาข้างในในภายในเราจะเห็นการทํางานระหว่างสติกับสัมผชัญญะกับกิเลสตัณหาอาสวะที่มาทํางานหักล้างกันตรงนี้ถ้าเราพยายามย้อนมาดูแล้วเราจะเราก็จะเห็นอันนี้เป็นสนามงานเป็นที่ฝึกซ้อมอบรมงานในภายในในขณะที่เราทํางานก็เป็นการขัดเข้าไปเกล้าเข้าไปขัด ใจของเราเนี่ยเกล้าใจของเราเนี่ยขัดกิเลสออกจากใจอ่าขัดกิเลสออกจากใจเกลักิเลสออกจากใจเอาสติเอาสัมผชัญญะเป็นตัวขัดเป็นตัวเกล้าเกล้าเข้าไปที่จิตนั่นแหละเพราะจิตตัวนี้อ่ามันมีศัตรูตัวที่ร้ายกาศอยู่ในนั้นคือตัวกิเลสตัณหาอาสวะที่มันแทรกสิงมากับจิตมันเกิดขึ้นมาพร้อมกับจิต เวลามันเกิดมันเกิดพร้อมกับจิตเวลามันดับมันดับพร้อมกับจิตที่แท้จริงก็คือความงอของจิตเรานั่นแหละความงอของจิตเรานั่นแหละที่มันไม่ฉลาดเท่ารู้เท่าทันเหตุการณ์ของตัวเองที่เราได้ประสบพบเห็นทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางเลืน่นไขาทางกายและวก็ทางใจรู้ไม่เท่าทันแล้วก็ยึดเห็นรูปก็ยึดได้ยินเสียงก็ยึดได้กลิ่นก็ยึดได้สัมผัสก็ยึด สัมผัสเย็ยนร้อนอ่อนแข็งก็ยึดสัมผัสนิ่มนวลก็ยึดความน้อมนึกในภายในถูกสัญญารมณ์มาป้อนอันนั้นเข้ามามาป้อนอันนี้เข้ามาก็พายเรายึดยึดโดยอัตโนมัติของมันเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ใช้สติใช้สัมผััญญาเนี่แหละ ย, ย้อนมากําหนดจดจอ่อแล้วก็พิจารณาการพิจารณาเหมือนกับการขัดการเกาขัดไปเกาไปขัดไกล ขัดสิ่งที่เป็นมลทินออกจากใจกิเลสเป็นมลทินของใจกิเลสกิเลสแปลว่าสภาพที่เศร้าหมองทำทำให้จิตใจเราเศร้าหมองนะกามกามตันหาภาวะตันหาวิภวะตันหานี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเราดูมาที่ตัวร้ายกาศของมันก็คือตัวความอยากของจิตความดิ้นเรนรนทะเยอทะยานของจิตความเห่อของจิตตัวนี้แหละ เนื่องจากจิตไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถไม่สามารถที่จะปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมาด้วยสติด้วยสัมผััญญะเพื่อที่จะรู้เท่าทันกลอุบายมายาของกิเลสที่มันแทรกเข้ามารู้ตาไม่ทันรู้ตาไม่ได้ที่ท่านเรียกว่ารู้ไม่เท่ารู้ไม่ทันแต่ถ้าหากเรารู้เท่าเราก็กันเรารู้ทันเราก็แก้เรารู้ไม่เท่าทันเราเลยไม่รู้จักกันไม่รู้จักแก้ ในทสุดก็หอบหิวเอาแต่กล่องทุกเข้ามาทับถมหัวใจด้วยตัณหาด้วยอุปาทานเมื่อมีอุปาทานแล้วก็มีภพเป็นสถานะของจิตอย่างหนึ่งที่มันจะสับเปลี่ยนให้จิตนั้นเปลี่ยนสถานะของตัวเองเป็นภพจิตของเราก็จะไปเสวยในภพจิตของเราก็จะไปเสวยในภพคือที่เกิดขึ้นภายในจิตที่จับจองของจิต จิตไปจับจองจากการยึดมั่นถึงมั่นไมอุปาทานนี่แหละเพราะฉะนั้นภพชาติของเราจึงเกิดขึ้นจึงมีขึ้นไม่จบไม่สิน้นตราบใดที่เรายังมีตัณหาอุปาทานอยู่ภพชาติของเราจะไม่หมดตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายอยู่นี้ในวันตะสงสารไม่มีสิ้นสุดเพราะฉะนั้นผู้ที่จะรู้เห็นเหตุเห็นปัจจัยเห็นต้นต่อของตัวสมุทัยที่แท้จริงจึงสามารถย่นย่อภพชาตินี้ให้ต่ำ ลงให้เบาลงให้บางลงให้เห lawsuit, ลือน้อยลงย่นให้เห i, ลือน้อยลงย่นให้เหลือน้อยลงนี่เป็นการทําลายความหลงของตัวเองรวมทั้งหมดนี้เรียกว่าภาวนาภาวนาภาวนาก็คือการชําระการขัดการกลาขัดแล้วขัดเล่ากล่าวแล้วกลาเล่าขัดซ้ําๆซักซักทำซ้ำซ้ำซักซักทจนเกิดเกิดมีผลเกิดขึ้นมีขึ้นภายในหัวใจ ได้รับความรู้ได้รับความแปลกประาดอัศจรรย์ภายในหัวใจของตัวเองนี่คือการภาวนากำหนดจดจ่อเข้ามาที่ใจแล้วเราจะเห็นงานงานกองอยู่ที่ใจมากมายมหาศาลย่าสง่งผิตไปที่นู้นสง่งผิจไปที่นี่เราส่งไปถูกกิเลสสวมรอยถูกตันหาราคะถูกสัญญาตันหาราคะมันยืมสัญญามาใช้ สัญญามาสวมรอยกิเลสมันสวมรอยมาทางสัญญามันสวมรอยมาทางเวทนาสวมรอยมาทางสัญญารวมสวมรอยมาทางสังขารสวมรอยมาทางวิญญาณซึ่งเป็นนามธรรมทั้งสี่เนี่ยกิเลสมันจะสวมรอยเข้ามาทาหน้าที่แทนตราบใดที่เราหลงไม่รู้สึกเนื้อไม่รูสส้สึกตัวขาดสติขาดสัมปชัญญะกิเลสก็สวมรอยเข้ามา เสแล้วก็มันก็ทางานเป็นกรรมเป็นวิบากกรรมของมันทับถมอยู่อย่างนั้นแหละจนตกผลึกเป็นอกุศลกรรมทุกระยะทุกเวลาทุกนาทีก็ตกผลึกไปเรื่อยตกพลึกไปเรื่อยตกพลึกไปเรื่อยคว่าตกผลึกก็คือเอาสภาพที่เศร้าหมองนะั้นมาทับถมมัวใจของตัวเองทับถมเข้าไปทับถมเข้าไปทับถมเข้าไปจนจิตใจดวงนั้นเนี่ยดำมืดมองไม่เห็นมีอะไรเลย ไม่มีความสว่างความสดใสความสว่างสวัยในหัวใจเลยมีแต่ ม, มนทินทลายมาปกจนเต็มปื๊ดไปหมดมองอะไรไม่เห็นมองอะไรไม่ออกคนประเภทนี้ ท, ที่ท่านเรียกว่าไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีว่าจะมีความต้องการกิเลมันยุ่ยออกมาทั้งใจไม่มีแอ่ความต้องการยึดเอาเท่านั้นเห็นอะไรออกมาก็ยึดเอาเท่านั้นเห็นอะไร ผ่านตาผ่านหูผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายผ่านน้อมนึกในภายในกะ็ยึดเอายึดเอายึดเอายึดเอาซึ่งตรงกันข้ามกับเรามาชำระมาขัดมาเกา่า<ม>การชำระการขัดการเ ก, าก่าคือปลุกจิตของเราให้ตื่นนั่นแหละเอาสติเป็นตัวปลุกเอาสัมผัสัญญาเป็นตัวปลุกปลุกจิตของเาให้ตื่นในโรยอยู่ตลอดนั่นแหละอ่า เหมือนกับเราเปิดไฟสว่างสวายรอบบ้านเรามียามเวนเฝ้ารอบบ้านเราขโมยกระจนมันก็ไม่กล้ามาขโมยไม่กล้าเข้ามาลักมาขโมยเพราะพวกนี้มันกลัวกลัวแสงไฟแล้วกลัวยามกลัวยามจะเห็นกลัวแสงไฟจากความสว่างละ่ะกลัวยามจะเห็นไม่กล้าเข้ามามันจะแอบเข้ามาไอตอนที่มันมืดมืดทึบๆมาแอบมาซุ่มมาดัก มาขโมยมาคอยยื้อแย่งสิ่งของเข้าไปกิเลสมันมาคอยยื้อแย่งจิตออกไปอออกไปทํางานให้กับมันมันสวมรอยเข้ามาในแง่ของสัญญาของสังขารของวิญญาณมันสวมรอยเข้ามาแล้วกัยึดจิตตรงนี้ไปทํางานให้มันยึดจิตตรงนี้ไปทํางานให้มันทําบ่อยครั้งเข้าต๊พลึกเป็นอกุศ ล, ลวิบากอ า, อากุศลวิบากตัวนี้กลายเป็นพื้นเพของจิต ของท่านของเรากลายเป็นพื้นเพของของจิตของสัตว์ของมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงนี่น่ยอกุศลที่มันทํางานอยู่ภายในหัวใจเพราะฉะนั้นเราพูดถึงความเพียรสังวรประทานเพียรไม่ให้บาปเกิดขึ้นในหัวใจเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วมีแล้วเนี่ยให้หมดไปภาวนาประทานก็คือเพียรเพียรให้กุศลเกิดขึ้นในหัวใจ อ, อนุรักษณาประทาน เพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วมีแล้วในหัวใจไม่ให้มันตกไปของดีที่เราแสวงหามาได้เราต้องเก็บเราต้องรักษาเอาไว้ของไม่ดีเราไม่พยายามหามานอกจากนั้นแล้วของดีที่มีอยู่ในหัวใจเราก็พยายามเอาทิ้งพยายามเอาออกพยายามขนออกการขนออกการเอาออกก็คือการย้อนมาพิจารณาดูเหตุดูปัจจัยดูต้นต่อของมันที่มันทาให้จิดของเราเกิดความล่มหลง ตัวนี้สำคัญมากไม่งั้นเราไม่รู้ที่ไปไม่รู้ที่มาของมันเราก็สับสนอละมานอยู่นี่แหล ะ, ะวัตฏสงสารจึงยืดยาวมากสำหรับพวกเราที่ไม่รู้สัจธรรมการพิจารณาทั้งนี้พิจารณาเพื่อให้เข้าถึงหลักความเป็นจริงที่ท่านเรียกว่าสัจธรรมสัจธรรมก็คือสิ่งที่มีอยู่จริงเป็นอยู่จริงในหัวใจของเรา สิ่งที่มีอยู่จริงเป็นอยู่จริงในกายของเราสิ่งที่มีอยู่จริงเป็นอยู่จริงในในนามรูปของเราในนามของเราในรูปของเราสิ่งที่มีจริงอยู่จริงเป็นอยู่จริงรอบข้างตัวเราจิตเรายอมรับในเมื่อเรายอมรับเราก็ไม่ดึงอิทธิพลของสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาทับถมหัวใจของเรานี่คือการตั้งใจภาวนาเพื่อปลดเปลื้องสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้หมดไปให้สิ้นไป เราตั้งใจภาวนาที่ท่านเรียกว่าภาวนาประทานเพียรรักษาเพียรเพียรบำเพ็ญกุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นยังไม่มีขึ้นให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นในใจของเราเช่นอย่างใจเรายังไม่มีศีลก็พยายามตั้งใจปฏิบัติรักษาศีลใจของเราไม่มีความสงบที่จะเรียกว่าไม่มีสมาธิก็พยายามตั้งใจภาวนาให้จิตของเราได้รับความสงบเมื่อจิตได้รับความสงบจิตก็อิ่มเอิบ จิตก็เป็นตัวของตัวจิตไม่ถูกกิเลสหลอกไปใช้ย่งไรอย่างง่ายดายจิตเป็นตัวของตัวนี่ภาวนาทําให้จิตของเรานี่มีพื้นมีเพมีอัดมีธรรมมีแสงสว่างในตัวมีความสงบในตัวมีปัญญาในตัวเนี่ยเสร็จแล้วคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงที่เราตั้งใจบําเพ็ญมาไม่ว่ากับกันปุเรชาติไหนก็ตาม แม้ในชาติปัจจุบันก็ตามวันก่อนกอนก็ตามล่วงมาแล้วล่วงมาแล้วเราทําสิ่งใดให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นพยายามรักษามาตรฐานนะตั้งใจรักษาศีลมาดีแล้วตั้งใจภาวนาจิตได้รับความสงบไว้ยิ่งตั้งใจภาวนาเพิ่มพูนความสงบให้เกิดขึ้นมีขึ้นใ น, ห, น, ในใใหัวใจของเราพิจารณาให้เกิดความรอบรู้ด้วยปัญญาในใจของเราที่ท่านเรียกว่าอนุรักขณะทาน ประทานแปล ว, ว่าความเพียรความเพียรทั้งหมดนี้เป็นความเพียรชอบที่เขาเรียกว่าสัมมาสัมมาวายโมนะสัมมาวายโม О. ความเพียรชอบพยายความพยายามชอบสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาสติก็คือสติที่ประกอบไปด้วยสัมปชัญญะหรือสติเอามากํากับ กายมากำกับเวทนามากำกับจิตและมากำกับธรรมที่เรียกว่าสัมมาสติถ้าเอาสติไปใช้กับอย่างอื่นท่านไม่เรียกว่าสัมมาสติแม้แต่เอาสติไปกำหนดจดจอ่อทำนัน้นทำนี้จดจ้อง ด, ด, ด, ดูนั้นดูนี้เช่นอย่างเดินทางเอ่ยขับรถขับราเอ่ยอะไรต่ออะไรต้องใช้สติใช้อะไรทั้งนั้นแหละแต่ด้วยเหตุที่ไม่ได้เอาสติมากำหนดจดจอ่อที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมท่านจึงไม่เรียกว่ามหาสติ มหาสติปัฏฐานเนี่ยเนี่ยมหาสติปัฏฐานเนี่ยเพราะฉะนั้นการนำมาพิจารณาให้เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเนี่ยชื่อว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิก็คือสมาธิที่ประกอบไปด้วยสติประกอบไปด้วยสัมปชัญญะประกอบไปด้วยอาตตปะคือความเพียรความภาคความเพียรที่เรียกว่าอาตตปะสติมามีสติ สัมปชัญโนมีสัมปชัญญ ะ, อ, ะอาตาปีมีความเพียรประคับประคองอสมาธิที่ไม่มีสติสมาธิที่ขาดสติสมาธิที่ขาดสัมปชัญญะเหมือนอย่างที่หลวงตาท่านแสดงไปว่าเป็นสมาธิหัวต่อเป็นสมาธิหลับเป็นสมาธิหัวต่อเป็นสมาธิที่ไม่ใช่ส ม, สมาธิในองค์มรรคเป็นมิจฉาสมาธิ เพราะฉะนั้นสมาธิในองค์มร์เนี่ยท่านทั้งหลายเจริญให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นมากมายท่าไหร่มีผลมีอนิสงส์มีอุปการะคุณกับใจของเรามากเท่านั้นเดี๋ยวก็ไปได้ยินคขาว่าสมถะสมถะสงบสมถะสมถะสมถ ะ, ะ, ะ, ะเสียเวลาปัญญาพิจรารณาเลยปัญญาพิจรารณาเลยสมาธิที่พระพุทธเจ้าท่านสอนสมาธิที่ครูบาอาจารย์เราสอนนั้น เป็นสมาธิที่ประกอบไปด้ว ย, วยสติประกอบไปด้วยสัมผชัญญะประกอบไปด้วยความเพียรคําว่าเพียรก็คือเพียรประคับประคองจิตของเรานี่แหละจนได้รับความตั้งมั่นจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นมันอยู่นึกหนัวยใจของเราเนะนี่ยคือสมาธิชอบสมาธิชอบเนี่ยเราพร้อมที่จะเปลี่ยนให้เป็นให้ไปพิจารณาตอนไหนทุก สามารถเอาไปเปลี่ยนเอาไปพิจารณาได้ทุกขณะ <c oughs> พิจารณากายสามารถเอาไปเี่เอาไปพิจารณาได้ทุกขณะเพราะมันไม่ใช่สมาธิหลับสมาธิหลับเหมือนไม่มีเจ้าของหลับมิดไปเลยเอาไปใช้ประโยชน์อะไรก็ไม่ได้เหมือนกับของไม่มีตัวเหมือนกับต้นเสาเมื่อคนเสามันไม่รู้สึกนึกคิดอะไระสมาธิที่สงบไปแล้วก็ไม่มีความรู้สึก ไม่มีสติไม่สิมีสัมปชัญญะกำกับท่านไม่เรียกว่าสัมมาสมาธิถ้าเรียกว่ามิจฉาสมาธิถ้ามีสติสัมปชัญญะกำกับมีอาตปะคือความประครับประคองกำกับอันนี้เป็นสัมมาส ม, มาธิในองค์มากมีมากเท่าไหร่ยิ่งมีอุปการะคุณเกือ้อกูลกับจิตของเรามากเท่านั้นใจเสียงไปแล้วก็ไออันนี้งานของพวกเราที่พูดทั้งหมดนี้คืองานในภายใน งานสมมติและก็งานวิปัสนาต้องใช้ความภาคความเพียรให้มากมีเวลาเราก็ไม่ปล่อยเวลานั้นให้ล่วงเลยไปประสิทธิ์จากประโยชน์ทํางานทําการอย่างอื่นเผลอปับ๊บหมดงานหมดการต่างๆเหล่านั้นปับ๊บกําหนดย้อนมาที่จิตแล้วปับ๊บย้อนมาที่จิตแล้วปับ๊บถ้าเราไม่ย้อนมาแล้วมันจะเตลิดเปิดเปิงอหะวันทั้งวันไม่ได้ย้อนมาดู วันทั้งวันไม่ย้อนมาพิจาราจิตของตัวเองหลงหลงไปกับอารมณ์ที่กิเลมันแทะเข้ามาไม่ไม่รู้จะเป็นอารมณ์รูปอารมณ์เสียงอารมณ์อะไรก็ตามแทะวิ่งว่นอนทั้งวันหาที่จอดหาที่แหวหาที่หลงไม่ได้เสียการเสียเวลาเพราฉะฉนันให้ตั้งใจกำหนดจดจ่อให้ดีงานหนักงานเบางานธุะปะปังงาน ในหน้าที่งานที่เป็นกิจวัตรข้อวัดทั้งหลายทั้งปวงเสร็จธุระปะปังปับย้อนเข้ามาปับเสร็จธุระปัปังปับย้อนเข้ามาปับสามารถทําได้ทุกขณะทุกระยะทุกเวลาทุกอิรยาบทเราต้องตั้งใจถึงขนาดนี้เพื่อจะเป็นการประคับประคองแล้วก็เป็นการปิดกั้นอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นที่ใจ ในขณะเดียวกันกุศลที่เกิดขึ้นแล้วมีแล้วเราก็ให้มันโผล่เข้ามาอีกพยายามละเข้าไปพยายามเอาความรู้เอาสติเอาปัญญาสอดส่องให้เกิดความรู้ให้เกิดความเข้าใจรู้เท่าทันภาวนาให้บุญให้กุศลใหม่เกิดขึ้นภายในหัวใจกุศลจากการรักษาศีลกุศลจากการภาวนา ทำของใหม่ให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นของเก่าที่เกิดขึ้นแล้วมีอยู่แล้วให้พยายามรักษาเอาไว้ไม่ไปทิ้งกรเรียกกระลาดไม่ปล่อยปละละเลยปล่อยสิ่เหล่านั้นต้องสูญไปต้องเสื่อมไปต้องสิ้นไปอันนี้เป็นความเพียรในเมื่อความเพียรประคับประคองอย่างต่อเนื่องบาปเก่าก็ไม่เกิดบาปใหม่ก็พยายามล ะ, ะบุญใหม่มีอยู่ เท่านี้แล้วก็ยามทําให้เกิดบุญใหม่ขึ้นอยู่เรื่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่รักษามากเท่านั้นเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่รักษาของเก่าที่มันมีขึ้นรักษามากเท่านั้นอย่าปล่อยปละละเลยทอดทิ้งกิเลสทั้งหลายมันก็จะค่อยๆเบาไปค่อยๆหมดไปบุญกุศลทั้งหลายที่ก็จะค่อยๆเพิ่มคูนทวีคูณขึ้นมา ในเมื่อฝ่ายกุศลเจริญขึ้นฝ่ายอากุศลก็ต้องเสื่อมถอยลงไปในขณะเดียวกันถ้าพวกเราให้อกุศลมันถอยลงไปแล้วให้ให้กุศลมันถอยลงไปแล้วอกุศลก็ต้องย่ำยีหัวใจเราทุกระยะทุกเวลาเช่นเดียวกันผู้ที่ตั้งใจไม่ประมาทได้ทุกระยะทุกเวลาทุกอิรยิยาบถชื่อว่าเป็นผู้ประคับประคองความเพียรของตัวเองให้ต่อเนื่องไป ทำความเพียรให้หนักหน้าไปทำเพียงให้ต่อเนื่องไปไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในอิริยาบถเดินอยู่กรมอยู่ในอิริยาบถนั่งภาวนาอยู่ในอิริยาบถใดเราสามารถสํารุงระมัดระวังดึงเข้ามาทํางานภายในใจของเราได้ทุกระยะทุกเวลาเราตั้งความภาคความเพียรอยู่อย่างนี้เราก็จะได้ขยับเข้าไปเรื่อยขยับเข้าไปเรื่อยขยับเข้าไปเรื่อยเป็นคนมีบุญเพิ่มขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยพาชนะ บุญญาบา ร, รมีในหัวใจของเราก็าจะเต็มตื้นขึ้นเรื่อยเต็มตื้นขึ้นเรื่อยเต็มตื้นขึ้นเรื่อยกุศลที่มันเกิดขึ้นมีขึ้นทั้งของเก่าทั้งของใหม่ของเก่าเราพยายามละออกไปของใหม่ก็ไม่พยายามดําริให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นอกุศลก็เจริญขึ้นเจริญขึ้นของใหม่ก็รักของใหม่ก็ทําให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นของเก่าพยายามรักษาไว้เหมือนกับทรัพย์เราแสวงหาทรัพย์นั่นแหละ ทรัพย์เก่าที่เราแสวงหามาได้เราพยายามรักษาไว้ไม่ส่ญสลายในขณะเดียวกันก็แสวงหาของใหม่ในเมื่อของเก่าก็ยังอยู่เท่าเดิมของใหม่ก็เพิ่มเข้ามาเพิ่มเข้ามาสักวันหนึ่งมหาเศรษฐีย่อมถึงแก่เราไม่ต้องสงสัยของามหาเศรษฐีคือมีผลรายได้เพิ่มพูนทางด้านกุศลเพิ่มพูทนทวีคูณขึ้นเรื่อย เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีขึ้นมาได้สักวันหนึ่งจะต้องเป็นของเราอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเราไม่พึงประมาทไม่พึงนิ่งนอนใจวันคืนล่วงไปอายุไขของเราก็ล่วงไปล่วงไปล่วงไปการใดเวลาใดที่เรามีสุขภาพแข็งแรงไม่ถูกโรคภยครัยไข้เจ็บเบียดเบียนอย่าได้ประมาทอย่าได้นิ่งนอนใจเห็นคุณค่า ของเวลาเวลาทุกเวลาทุกนาทีทุกเดียบทยืนเดินนั่งนอนในเมื่อเราตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทอย่างนี้แล้วก็เข้าลักษณะที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงว่าท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทจงทำมักทำผลให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นไปในหัวใจแห่งตนแห่งตนเถรพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงความไม่ประมาท ตอนที่พระองค์จะทรงปิดปิดพระโอษฐ์ที่ป่าสารวโนทยานจงยังประโยชน์ตนยังประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดประโยชน์ท่านก็คือเหมือนประโยชน์ตนประโยชน์ตนก็คือประโยชน์ตนประโยชน์ท่านที่เราทําเกี่ยวข้องกับท่านก็เหมือนประโยชน์ตนเราตั้งใจขวนขวายอยู่อย่างนี้ เราก็จะเป็นพูดถึงพร้อมสมบูรณ์สักวันใดวันหนึ่งจนได้ไม่ต้องสงสัยาล้พอสมควรก็เวลาละเมื่อกี้ก็เอาน้ำไปผาแดงร2 5ยบห้าโหลสองร้อยห้าสิบแพ็คแพ็คละหกขวดพวกเราก็กรอกไปเรื่อยๆทยอยไปจากนี้ไปจนถึงวันที่26 เราก็ทยอยเอาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆวันที่หคิดว่าคนจะมารว ม, รวมรวมรวมกันเยอะฟังหนูแล้วว่านิมนต์ครูบาอาจารย์เยอะเลยเนี่ยจะมารวมรวมวางศิลาฤกษ์เทอดีหลวงตาที่ผาแดงเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป็นบุญญกิริยาก็ทำลงไปการท่องบนการสวดมนต์ เป็นบุญญากิริยาท่องบนสวดมนต์ภาวนาเป็นบุญกิริยากิริยาเป็นกิริยาให้เกิดบุญขวนขวายในประโยชน์ตนในประโยชน์ท่านก็เป็นบุญยากิริยาเป็นเหตุให้เกิดบุญเพราะฉะนั้นขึ้นชื่อว่าบุญบุญบุญแม้เล็กน้อยเราก็ไม่ประมาทเราก็ไม่นิ่งนอนใจเราไม่มองข้ามเราไม่ดูถูกอ่า ในเมื่อเราไม่เป็นผู้ไม่ประมาทแม้แต่ของหยาบหยาบก็กลายเป็นของละเอียดขึ้นในหัวใจของเรางานการที่หยาบด้วยเหตุที่ใจเราละเอียดงานการทั้งหลายเหล่านั้นกลายเป็นงานที่ละเอียดไปด้วยผลรายได้ตกปลื้มสมาที่หัวใจหัวใจเป็นภาชนะที่คอยแบกที่คอยรับเพราะฉะนั้นอย่าได้ตําหนิ คุณงามความดีที่เราทําด้วยน้าพักน้ําแรงด้วยเรี่ยวแรงของเราเองให้ความสําคัญแล้วก็ตั้งอกตั้งใจทําด้วยความอุตสาห์พยายามรับประคองจิตของเราไม่ให้จิตของเรามันเสื่อมมันเสียมันตกไปสู่อกุศลที่จะพึงเกิดขึ้นมีขึ้นภายในใจของเราให้ตั้งใจด้วยกันทุกคนอย่าลืมหน้าที่ของตัวเองประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน ขอวัดส่วนตัวขอวัดส่วนรวมอย่าลืมขอวัดส่วนที่เกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์ขวัดส่วนตัวก็ทําให้มันบกคล่องขอวัดส่วนรวมก็ ต, ต, ต้องดูก็ต้องช่วยดูช่วยดูกันเราอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนทีเขาทีเราใจเขาใจเราช่วยเขาช่วยเราอย่าเป็นคนเห็นแก่ตัว การเห็นแก่ตัว เ, เอาตัวไม่รอดการเห็นแก่ตัวเนี่ยเป็นคนไม่ฉลาดรู้จักเอาบุญที่เกิดขึ้นมีขึ้นในหัวใจของเราผู้ที่ฉลาดเห็นคุณค่าของกุศลที่จะพึงเกิดขึ้นมีขึ้นในหัวใจของเราเน้ําฝนทิละหยดทิละหยาดตกลงมาสู่ภาชนะสามารถทําให้ภาชนะนั้นเต็มตื้นขึ้นมากุศล กุศลที่เป็นปัจจุบันกุศลที่เป็นสัมปรายภพกับกุศลที่เป็นโลกุกตรกุศลหรือที่เรียกว่าโลกุตรธรรมเราอย่าพึงประมาทให้ความสําคัญทั้งหมดในหวัวใจของเราอย่าได้ประมาทอย่าได้นิ่งนอนใจอย่าปล่อยให้วันคืนล่วงไปแล้วก็มานั่งตำหนิตัวเองว่าเราไม่ได้อะไรเราไม่ได้อะไรเราไม่ได้อะไรเพราะเราไม่ทํา คนที่เขาทําเขาได้กุศลในปัจจุบันเขาก็ได้กุศลในสัมป라이าภพเขาก็ได้กุศลที่เป็นส่วนโลกุตระธรรมกุศลที่เป็นส่วนปรมัตธรรมเขาก็ได้เก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยเราก็จะเป็นผู้ไม่ไมเสียท่าเสียทีเห็นเวลาเห็นนาทีเป็นเวลาดีนาทีทองกับเราในการบํำเพ็ญกุศลอยู่ทุกเมื่อ ไม่ประมาทไม่นิ่งนอนใจประมาทเมื่อไหร่นิ่งนอนใจเมื่อไหรก็ตายทั้งเป็นตายทั้งทั้งที่มีหัวใจหายใจฟดฟ อ, ดฟอนี่แหละอะเลิก